นิทานไทยหนูเมืองและหนูชนบทกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหนูตัวน้อยอาศัยอยู่ในเมืองเขาเห็นรูปเพื่อนของเขาที่อาศัยอยู่ในชนบทเขาจึงตัดสินใจไปหาเพื่อนเพื่อเซอร์ไพรส์เพื่อนโอ๋ ที่นี่เหม็นจังเลยเหม็นเหมือนสัตว์เพื่อนดีในทุ่งเลยโถ่ใกล้จะถึงบ้านเพื่อนฉันแล้วหวัดดีเพื่อนรักเป็นยังไงบ้างฉันสบายดีฉันกลับมาเซอร์ไพรส์นายเซอร์ไพรส์จริงด้วยยินดีต้อนรับสู่ชนบทนะเพื่อนเอ้ย ฉันดีใจที่นายอุตสาออกนอกเมืองมาไกลเพื่อมาเยี่ยมฉันนะทั้งสองพูดคุยกันพักใหญ่นายเดินทางมาไกลคงจะเหนื่อยหน้าดูไปล้างเนื้อล้างตัวระหว่างฉันเตรียมอาหารให้กับนายก็แล้วกันนะหนูชนบทออกไปที่ไรขณะที่หนูเมืองล้างเนื้อล้างตัวเอาละ ฉันจะไปคุดพักสดๆมาให้ระหว่างนั้นหนูเ<อ>มืองใช้น้ำล้างเนื้อตัวจนหมดโอ้โหยน้ำน้อยจังเลยอะ่ะเมืองฉันอะ่ะดีกว่านี้เยอะมากเลยหนูเมืองออกมาอารมณ์บูดบึ้งมากินข้าวข้างนอกกันฉันเตรียมหมดแล้วเตรียมทุกอย่างเอาไว้ หนูชนบทเสิร์ฟมันเทศบีทรูทสดและเทอร์นิบพร้อมนมสดเธอนั่งก่อนซิหนูชนบทเสิร์ฟอาหารให้หนูเมืองในชนบทอะ่ะเขากินกันแบบนี้เหรอชืดๆไม่มีรสชาติเอาซะเลยอะ่ะหนูชนบทพยายามเอาใจเพื่อนแต่ไม่ได้ผล หลังรับประทานอาหารหนูชนบทพาหนูเมืองไปดูฟาร์มและเมืองหนูอ า, อากาศช่างบริสุทธิ์ฉันได้กลิ่นดอกไม้พวกนี้ด้วยแล้วไอ้เขียวๆหน้าน้ำมันคืออะไรกันนั่นก็ถั่วดสดๆไงจากนั้นพวกเขาเดินผ่านปุ๋ยหมักเปียกเหม็นเป็นบ้าเลยอ่ะ เมืองฉันสะอาดกว่านี้เยอะเลยบอกตามตรงนะเพื่อนรนะักฉันไม่ชอบการเป็นอยู่ของนายเอาซะเลยกินอาหารแบบนี้ล้อมรอบไปด้วยมแมลงกับดินคอนสกปกมาเมืองฉันสินายจะลืมพวกนี้ไปเลยขอโทษเรื่องอาหารด้วยนะแต่อาหารฉันไม่ได้ไม่ดีตรงไหนทุกอย่างก็สดดีอ่ฉันอยากให้นายไปอยู่ในเมืองกับฉันสักสองสามวัน จะได้เห็นการใช้ชีวิตของฉันฉันจะให้นายกินชีสพาสตา้าทั่วและอะไรอีกหลายหลยอย่างเลยละ่ะฟังดูดีจังเลยฮฮฮฮฉันมั่นใจว่านายต้องชอบฮ่าฮฮฮหนูเมื่ยงเก็บกระเป๋าเตรียมตัวกลับฉันต้องกลับแล้วละ่ะขอบคุณมากเลยนะฉันเ อ, อิ่มสนุกมากๆเลยแล้วเจอกันในเมืองรเร็วนี้นะ เจ้าหนูกอดกันและโบกมือลา<ะ><ะ>สองสาวันต่อมาหนูช่วยรทเก็บกระเป๋าไปหาหนูเมืองโอ้ตึกสูงจังรถแวววับอาหารอร่อยอร่อยที่ฉันจะได้กินฉันชอบเมือง น, นี้เข้าแล้ว โอ้เสียงดังจังเลยอะในที่สุดหนูชนบทก็มาถึงบ้านหนูเมืองยินดีต้อนรับเพื่อนรักยินดีต้อนรับสู่บ้านของฉันหนูเมืองพาหนูชนบทเข้าบ้านพวกเขาพูดคุยกันอยู่พักหนึ่งเมื่อคนใช้จัดโตเรียบร้อยหนูเมืองได้กลิ่นอาหารและพูดว่าื มาไวอ์เพื่อนอาหารอะพร้อมแล้วนะไปกินกันได้แล้วนูชนบทตื่นเต้นที่จะได้ทานอาหารอืมทำสบายเลยเพื่อนมีทั้งชีสนมพาสต้าขนมปังปิ้งเนยถัว่วเค้กและผละไม้ขอบคุณฉันทึ่งกับการใช้ชีวิตของนายจริงๆฉันว่าฉันจะอยู่ที่นี่กับนาย ทันทีที่เขาเริ่มกินผลใช้กลับมาเธอถือไม้มาไล่พวกเขาไปไปเจ้าหนูสกปรกไปไปไปให้พ้นนะวิ่งเร็วไปใ<ว>ส่สไ ม, ไม้เร็วเวไปให้พน้น <c oughs> หนูเมืองอับอายมากฮ่า <c oughs> ไม่ต้องห่วงเพื่อนพอเขาไปแล้วเราจะไปกินกันต่อพวกเขาออกไปเดินเล่นรอจนกว่าทางจะสะดวก มาเร็วฉัน จ, จะพานายไปที่ที่มีอาหารสารพัดอย่างเลยโอ้นี่มันคืออะไรเหรอก็ห้างดังไงล่ะพวกเขาเห็นแมวกำลังวิ่งพุ่งมาทางพวกเขาเต็มกำลังว้ยเร็วเข้าไปซ่อนก่อนเร็วอ้นี่มันอะไรกันเนี่ย Oh. หัวใจฉันแทบจะหลุดออกมาเลยแมวตัวอ้วนเดี๋ยวมันก็ไปแค่อยู่เงียบๆไว้ไม่ต้องกังวลไปหรอกนะเมื่อแมวไปพวกเขาเดินเข้าห้าหนูชนบทเห็นอะไรแปลกๆนั่นอะไรอ่ะระาวาังนะนั่นกับดักหนูกับดักหนูคืออะไรเหรอคือ ฉันไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่พอเข้าไปเอาชีสปุ๊บก็ติดอยู่ในนั้นออกมาไม่ได้เลยล่ะมันน่ากลัวมากๆเลยอ่ะอย่าไปยุ่งกับมันแล้วกันโอ้หัวใจเจ้าไว้อะนี่มันมากเกินไปสำหรับฉันแล้วอย่าพูดเกินจริงเราแค่ต้องระวังเข้าไว้อ๋อฉันพอแล้วกับการที่ต้องวิ่งหนีกระโดดหนีพอกับการหวาดกลัว ฉันไม่อยากได้อะไรแบบนี้เลยอะแต่เออฉันตัดสินใจจะกลับบ้านละที่นั่นอะช่างสงบสุขเออฉันขอโทษสำหรับทุกอย่างนะฉันชอบกินอาหารสดๆจากสวนของฉันมากกว่ากินอาหารเลิศหรูแต่ว่าต้องมานั่งกลัวตลอดเวลาการใช้ชีวิตธรรมดา<อ>มันดีกว่าชีวิตที่สุขสบายแต่ต้องคอยวิ่งอยู่เรื่อยอะ <Ooh. S 2> แล้วหนูชนบทก็กลับบ้านและใช้ชีวิตที่เหลือที่นั่น